แต่ท่านพูดตระหนักในปรมจรรย์พระสุมณะกล่าวท่าลองใคร่ครวนดูความเป็นไปแห่งชีวิตของพระเจ้าเปรศน์ที่โกศลและท่านพันธุลเสนาบดีเถิดช่างลงท้ายที่น่าเศร้าอะไรอย่างนั้นพระเจ้าเปรศน์ที่โกศลเป็นกษัตริย์มหาศาลทรงพระราชสมภพภายใต้สเวตตชัดมีชีวิตอยู่อย่างรุ่งเรืองแต่ลงท้ายเมื่อสิ้นพระชน มีเพียงทาสีคนเดียวเท่านั้นเป็นสหายในคราวตายถึงอย่างนั้นเขาก็หาตายตามไปด้วยไหมสถานที่ที่สิ้นพระชนก็ตรงกันข้ามกับสถานที่ประสูตรนั่นคือศาลาหน้าเมืองซึ่งมักจะมีคนขอทานชั้นต่ำที่สุดเคยมานอนตายอยู่เสมอๆในสรีระนี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างระหว่างพระราชากับยาจก มันช่างเหมือนกันทุกสัสดส่วนพระดาเอย่ยความสมมุติอันเป็นมายาของโลกนั่นเองที่มาระบายสีให้คนทั้งหลายเห็นความแตกต่างระหว่างพระราชาและขอทานข้าพเจ้าเลื่อมสายพระพุทธเจริยาเป็นยิ่งนะักที่พระองค์อยู่ได้สนทนาได้ทั้งกับพระราชาและยาจกพระองค์มีพระทัยเสมอกันในชนที่โลกสมมติให้ต่างกันเหมือนฟ้ากับดิน พันทุละเล่าเป็นคนดีเหลือเกินมีวิชาความรู้มากมายทำประโยชน์ให้แก่ประเทศอย่างมหาศาลแต่ต้องมาตายอย่างน่าอนาดใจท่านลองนึกวาดภาพถึงศพสาสาศพนอนเรียงรายในลักษณะอาการต่างๆซึ่งคนเหล่านี้เคยมีเกียรติยศหรูหราประดับประดาด้วยอาภรณ์อันมีค่าล้าท่านพูดเจริญข้าพเจ้านึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่า ชีวิตความเจ็บป่วยการเป็นที่ตายสถานที่ตายและคติในสัมปรายภพของสัตว์ทั้งหลายในชีวะโลกนี้ไม่มีเคลื่อหมายบุคคลให้สามารถรู้ได้ดังนี้แล้วให้เห็นจริงเสียหรือเกินแม้แต่ข้าพเจ้าและท่านก็ตกอยู่ในภาวะเดียวกันนี้คือรู้ไม่ได้ว่าจะตายเมื่อไรที่ไหนและด้วยโรคอะไรเป็นต้น พระพุทธองค์จึงสอนเรามิให้ประมาทในวัยในความไม่มีโรคและในชีวิตเราทั้งสองเงียบกันไปสักครู่หนึ่งพระสุมณะรินน้ำออกจากหม้อดินยกขึ้นเดิมแก้คอแห้ง รู้สึกท่านชุ่มชื่นขึ้นข้าพเจ้าเอนกายลงเพื่อพักผ่อนสักครู่หนึ่งท่านสุมาณะทำอย่างข้าพเจ้าบ้างครู่หนึ่งผ่านไปเราทั้งสองลุกขึ้นนั่งเกือบจะพร้อมกันท่านสุมาณะเล่าต่อไปว่าสำหรับมหาลิกุมารเมื่อกลับมาแสดงศิลปศาสตร์แก่เจ้าลิชวีแสดงด้วยอุตสาหะมากเกินไปจนพระเนตรทั้งสองข้างแตกมืดบอด มองอะไรไม่เห็นเลยแต่เจ้าฤิชวีทั้งหลายก็ดีเหลือเกินไม่ทอดทิ้งพร้อมใจกันมอบรายได้ที่ได้จากการเก็บสวยจากประตูหนึ่งให้ทั้งหมดและมอบฤิชวีกุ ม, มารประมาณห0 0รองค์ให้เป็นสิทธิศึกษาศิลปศาสตร์อยู่กับเจ้าชายมหาลินั้นเจ้าชายมหาลินั้นรู้จักพันธุระเสนาบดีอย่างดียิ่งแม้เพียงได้ยินรถกระแทกธรณีประตูเท่านั้น ก็ทรงทราบแล้วว่าพันธุละเสนาบดีมาสู่กรุงพายสาลีทั้งทั้งที่ท่านพันธุละเพิ่งไปเป็นครั้งแรกเท่านั้นท่านผู้เจริญศิลปศาสตร์อันบุคคลใดฝึกฝนอบรมดีแล้วย่อมอํานวยประโยชน์สุขให้แก่บุคคลผู้นั้นอยู่เสมอถ้าบุคคลผู้มีวิชาความรู้ดีไม่มีความประพฤติเสียหายอะไรแล้ว เอาตัวรอดไม่ได้ใสวิชาความรู้ในโลกนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรบัณฑิตในปางก่อนก็ไม่พึงยกย่องวิชาว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐขัปตเจ้าถูกแล้วอาวุโส แต่วิชาจะอำนวยประโยชน์เต็มที่ก็ต่อเมื่อศพสมัยเหมือนสินค้าในตลาดถ้าพลาดสมัยความต้องการของประชาชนมีน้อยสินค้านั้นแม้จะมีคุณภาพดีในตัวมันเองพ่อค้าก็ขาดทุนพ่อค้าที่ฉลาดจึงพยายามใช้สติปัญญาเลือกหาสินค้าที่ตลาดต้องการคือที่ประชาชนต้องการหรือที่เป็นประโยชน์มากวิชาก็ทานองเดียวกันนี้ ถ้ามีประโยชน์มากมีค่าสูงมีประโยชน์น้อยค่าก็ตำ่ำอีกประการหนึ่งความรู้จะมีประโยชน์ภัยสารผู้รู้ต้องรู้จริงแม้รู้อย่างเดียวก็อํานวยประโยชน์มากเอาตัวรอดได้แม้จะรู้หลายอย่างแต่รู้อะไรไม่จริงเลยรู้ไม่ถึงขนาดที่จะพอใช้การได้ความรู้นั้นก็เป็นหมันกลายเป็นความรู้อย่างเป็ดไปคือขันก็ได้แต่ไม่เหมือนไก่ บินก็ได้แต่ไม่เหมือนนกว่ายน้ำก็ได้แต่ไม่เหมือนปลาเป็นเรื่องฉาบฉวยไปหมดเอาดีอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวความรู้แบบนี้มีท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดพระพุทธองค์จึงตรัสว่าการงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามที่ย่อหย่อนจะหวังผลมากไม่ได้นักศึกษาจึงต้องศึกษาอย่างจริงจังถ้าหวังผลจริงจัง ทั้งนี้เพราะหลักสาลมีอยู่ว่าผลย่อมได้สัด ส, ส่วนกับเหตุไม่มีผลใดเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุเหตุย่อมก่อให้เกิดผลที่พอเหมาะพอควรแก่การกระทำแต่การกระทำหรือเหตุมากอาจจะได้ผลน้อยถ้ากระทำด้วยความโง่ทำเหตุไม่เป็นขาดความรอบคอบไม่รู้จักกาละเทศะในทางตรงกันข้าม เหตุน้อยอาจจะได้ผลมากถ้าทําเหตุด้วยความฉลาดทําด้วยปัญญารู้จักกาลเทศะในการกระทําและการพูดทุกอย่างต้องประกอบด้วยปัญญาจึงจะชอบมิใช่เห็นว่าดีแล้วทําสุ่มๆไปอันเป็นเหตุให้เสียใจในภายหลังว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีพระสุมานณะท่านพูดเจริญข้าพเจ้าเห็นด้วยกับคํากล่าวของท่าน แต่ข้าพเจ้าสงสัยว่าทำดีอย่างไรเรียกทำดีไม่เป็นและทำอย่างไรเรียกว่าทำดีเป็นข้าพเจ้าการทำความดีเพื่อความดีคือเพราะเห็นคุณประโยชน์ของความดีนั่นเองประการหนึ่งการทำด้วยปัญญาพิจารณาการะเทศะและบุคคลแล้วจึงทำประการหนึ่งนี้เรียกว่าทำดีเป็น การทำดีไม่เป็นท่านพึงทราบโดยทางตรงกันข้ามเถิดคนทำดีเพื่อเงินเพื่อยศักดิ์ชื่อเสียงเป็นต้นชื่อว่าทำดีไม่เป็นอันหนึ่งผู้ทำความดีถ้าต้องการผลมากก็พึงตั้งใจเอาแต่น้อยทั้งนี้เพราะความปรารถนาน้อยทําให้เราได้อะไรอะไรเกินต้องการเสมอตรงกันข้ามกับผู้ต้องการไม่รู้จักสิ้นสุดได้อะไรมาก็ไม่เคยเต็มตามต้องการเลย ผู้มีความปรารถนาน้อยจึงมักจะได้ดีเกินความคาดหมายพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าทำใดเป็นไปเพื่อความปรารถนาน้อยอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคําสอนของศาสนาอวุโสเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามเถิดข้าพเจ้ายังปรารถนาจะฟังเรื่องของนักศึกษาตะกศิลาต่อไปอีกถ้าไม่เป็นความลําบาก ขอท่านผู้มีอายุได้โปรดเล่าต่อไปเถอะข้าแต่ท่านผู้สแสวงหาอมตะ บ, บทพระสุมณะกล่าว สำหรับเรื่องของพระองค์คุลิมานนั้นข้าพเจ้าจะไม่นํามากล่าวในที่นี้เพราะเป็นที่รู้กันแพร่หลายอยู่แล้วข้าพเจ้าได้บอกท่านไว้แต่เบื้องต้นแล้วว่านักศึกษาคนที่ห้าของตักกศิลาคือหมอชีว ก, กโกมารพัฒนั้นเป็นบุคคลที่ข้าพเจ้าสนใจที่สุดและใช้ชีวิตดําเนินตามรอยท่านผู้นี้หมอชีวกมีประวัติที่ควรแก่การสังเวชสลดใจ นอกจากนี้ท่านยังดำเนินชีวิตควรแกร่การเอาอย่างของหมอรุ่นหลังๆตามประวัติเล่าไว้ว่าชีวตกเป็นลูกของหญิงแพทย์สยาเป็นความนิยมในสมัยนั้นว่าหญิงแพทย์สยาเมื่อมีลูกเป็นชายก็ไม่สามารถเลี้ยงได้เพราะเป็นอุปสรรคต่ออาชีพของนางจึงมักจะนําไปทิ้งเสียในป่าหรือสถานที่ที่เห็นว่าปลอดคนชีวตก เมื่อเกิดเป็นลูกของหญิงแพศยาก็ตกอยู่ภายใต้กฎนี้ปรากฏว่าถูกนำไปทิ้งที่ริมทางแห่งหนึ่งบังเอิญอภัยราชกุมารโอรสของพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นเมคอตเสด็จมาพบเข้าในเช้าตรู่วันหนึ่งเห็นห่อผ้าท่อนเก่าวางอยู่ริมทาง มีนกกาแวดล้อมจึงให้ผู้ติดตามไปดูว่าเป็นอะไรเมื่อทราบว่าเป็นเด็กตรัสถามว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ผู้ไปดูตอบว่าชีวโกหมายความว่ายังมีชีวิตอยู่ราชกุมารจึงนำไปเลี้ยงเป็นโอรสบุญธรรมขนานนามให้ว่าชีวกพระราชทานการบำรุงเลี้ยงอย่างราชกุมารทั้งหลาย จึงมีส้อยนามตามหลังว่าโกมารพัทเมื่อเจริญวัยพอสมควรแล้วชีวกได้ทราบประวัติของตนเกิดความเศร้าใจขึ้นมามีความดำริอยู่เสมอว่าใช่ไหนหนอเราพึงศึกษาวิชาที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ผู้อันบุระภูปนิสัยตักเตือนแล้วจึงตัดสินใจไปศึกษาวิชาแพทย์นักรุงตักศิลา และไปด้วยอาการที่รอบหนีไปชีวศเป็นนักศึกษาประเภทยากจนเช่นเดียวกับข้าพเจ้ามีหน้าที่ศึกษาและปฏิบัติอาจารย์เนื่องจากได้รับการอบรมเรีออย้ยงดูมาในราชตระกูลชีวศจึงเป็นคนมีมัญญาิงามมีวาจาสุภาพเป็นที่รักใคร่ของอาจารย์และสิทธิ์ร่วมสำนักทั่วไปเขาตั้งใจศึกษาจนสาเร็จวิชานี้ วิธีทดสอบก็คือวันหนึ่งเมื่อชีวกเข้าไปลาอาจารย์เพื่อกลับสู่กรุงราชคลึศอาจารย์ให้ชีวกออกเดินทางไปทั้งสี่ทิศทิศละโยธเพื่อสแสวงหาต้นไม้ใบหญ้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่นํามาปรุงยาไม่ได้ชีวกออกเดินทางสแสวงหาอยู่เป็นเวลาเจวันกลับมากราบเรียนอาจารย์ว่าไม่มีต้นไม้หรือใบหญ้าชนิดใดๆเลย ที่นำมาปรุงยาแก้โรคไม่ได้เมื่ออาจารย์ได้ทราบดังนั้นจึงกล่าวกับชีวกว่าเธอศึกษาสำเร็จแล้วและอนุญาตให้กลับปิดตุภูมิได้ตามปรารถนาแต่เพื่อให้เห็นคุณค่าของวิชาอาจารย์จึงได้มอบสเสบียงให้มากะว่าพอหมดเพียงครึ่งทางเท่านั้นท่านอาจารย์ดำริว่าชีวกนี้เจริญเติบโตแล้วในราชตระกูล เมื่อกลับไปถึงกรุงราชคลึกก็จะพึงได้รับการต้อนรับอันยิ่งใหญ่ถ้ามิให้ใช้วิชาในระหว่างทางเธอจะไม่พึงรู้คุณค่าของวิชาเลยท่านจึงได้ทำดังกล่าวแล้วหมอชีวก ร้อนแรมมาตามลำดับมาถึงกึ่งทางระหว่างตักศกิรากับราชคลึกสเสบียงที่นำติดตัวมาก็หมดคราวนี้เขาต้องใช้วิชาที่ได้เรียนรู้มาคือเที่ยวสอบถามชาวบ้านว่ามีคนไข้ให้เขารักษาบ้างหรือไม่พอดีเวลานั้นมีพัญญาเศรษฐีคนหนึ่งป่วยเป็นโรคปวดศีรษะรักษามาเป็นเวลาหลายปีแล้วไม่หายเลย เปลียนหมอสิ้นซับไปมากมายหมอชีวกอาสาเข้าไปรักษาทีแรกพัญญาเศรษฐีไม่สู้เต็มใจนักเพราะทราบว่าเป็นหมอหนุ่มนางกล่าวว่าหมอเท่าหมอแก่ผ่านโรคภัยไข้เก็บมามากมายยังรักษาให้หายไม่ได้หมอหนุ่มจะรักษาให้หายได้อย่างไรหมอชีวกต้องขยันขยอขอรักษาว่าทําไม่หายจะไม่ยอมเรียกค่ารักษาเลย เมื่อตรวจเรียบร้อยแล้วหมอชีวกก็เริ่มลงมือรักษาได้ใช้น้ำมันเนยยอดทั้งจมูกเมื่อน้ำมันเนยไหลออกพัญญาเศรษฐีเรียกให้คนใช้นำสำลีมาซับไว้ไม่ยอมให้ทิ้งหมอชีวกเห็นพฤติการดังนั้นชักหน้าเสียลำพึงในใจว่าพัญญาเศรษฐีคนนี้แม้แต่น้ำมันเนยนิดเดียวยังไม่ยอมทิ้งเมื่อหายป่วยแล้วจะให้ค่ารักษาแกเราได้อย่างไร พ ญ, ญาเศรษฐีเห็นอาการของหมอชีวกดังนั้นก็เข้าใจได้ตลอดกล่าวขึ้นว่าคุณหมอดิฉันเป็นแม่บ้านต้องรอบคอบอะไรที่ไม่ควรให้เสียก็ไม่ให้เสียอย่างน้ำมันเนยนี้นะ่ะทิ้งเสียทำไมเอาไปทำาชื้อเพลิงยังได้เอาไปทาเทา้ากรรมาก่อนหรือคนใช้ก็ได้เรื่องค่ายาค่ารักษานะ่ะคุณหมอไม่ต้องวิตกถ้าหายจะจ่ายให้เต็มที่ ถึงไม่หายก็ให้ต่อมาไม่กี่วันปรากฏว่าโรคที่รื้อรังมานานของพัญญาเศรษฐีนั้นหายสนิทมีกำลังวังชาแข็งแรงทำงานได้ตามปกติหมอชีวกได้รับสการะและสำมาณนมมากมายจากตระกูลเศรษฐินั้นเดินทางมาถึงกรุงราชคลึกรับการต้อนรับจากเจ้าชายอภัยและพระเจ้าพิมพิสารอย่างดียิ่ง อันว่าองค์พระเจ้าพิมพิสารนั้นทรงมีพระโรคเรื้อรังอยู่อย่างหนึ่งคือฤสษีดวงโรคนั้นทรมานพระองค์มานานบางคราวได้รับความระายจากการล้อเลียนของพวกสนมอย่างเช่นครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ลุกจากที่ประทับ พ, พระโลหิตดแดงๆเพื่อนพระภูษาด้านหลังพวกสนมก็ล้อเลียนว่าพระเจ้าอยู่หัวมีประจําเดือน แต่เนื่องจากพระองค์เข้าถึงกระแสธรรมเป็นโสดาบันบุคคลแล้วจึงไม่สู้จะมีอะไรมากนักเมื่อทรงทราบว่าล้านชายชีวกเรียนวิชาหมอสาเร็จมาจากตักกศิลาทรงดีพระทัยยิ่งนักรับสั่งให้ลองถวายการรักษาพระองค์ปรากฏว่าหายขาดด้วยการถวายยาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพระเจ้าอยู่หัวทรงระลึกถึงความดีของหมอชีวก พระราชทานเข้าของเงินทองมากมายเป็นรางวัลแต่หมอชีวกรับไว้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นถวายคืนแก่พระองค์อ้างเหตุผลว่าพระองค์มีพระคุณต่อเขาหาที่สุดมิได้การที่ทําให้พระองค์หายโรคนั้นไม่ควรได้รับสิ่งใดเป็นเครื่องตอบแทนเลยแต่นี่รับไว้ครึ่งหนึ่งก็เพื่อสนองความประสงค์ของพระเจ้าปู่เท่านั้น และได้นำผ้าคู่หนึ่งซึ่งมีเนื้อละเอียดใช้สบายไปถวายพระผู้มีพระภาคทั้งนี้เพราะคิดว่าตนไม่เหมาะสมกับผ้าที่ดีถึงปานนั้นพระเจ้าพิมพิาสารทรงทราบอัธยาศัยอันเปี่ยมด้วยกุณธรรมของหมอชีวกแล้วทรงโปรดปรานยิ่งนักให้ดำรงตำแหน่งเป็นแพทย์ประจำองค์ตั้งแต่บัดนั้นมานอกจากนี้หมอชีวกยังได้ปรวรณาตน ต่อพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ให้เรียกใช้ได้เมื่อภิกษุอาพาธเขาจึงเป็นแพทย์ประจำองค์พระสมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยข้าแต่ท่านผู้เจริญตำแหน่งหน้าที่ของหมอชีวกเป็นตำแหน่งที่น่าปลื้มใจอะไรอย่างนั้น คราวหนึ่งเมื่อพระเทวทัตกลิ้งศิลาลงจากภูเขาคิชกูดมุ่งหมายจะทำลายพระขวันให้แหลกเป็นพระสมทัทลรีแต่ด้วยพระบารมีอันเคยสังสมมาแก่กล้าบรรดาให้ชงนผาบนภูเขานั้นรองรับศิลาอันใหญ่หลวงกระทบแตกกระจายสะเก็ดพุ่งมาถูกพระบาทพระบรมศาสดาอย่างพระโลหิตให้ห่อ หมอชีวกทราบข่าวเรื่องนี้รีบมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายยาขนานชงัดแด่พระองค์แล้วกลับเข้าไปภายในเมืองเพื่อดูแลคนไข้ราย อ, รอื่นและเมื่อถึงเวลาจะแก้ยาที่พอกไว้รีบตะลีตะลานจะมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่บังเอิญประตูเมืองปิดเขาออกมาไม่ได้จิตใจกระบวลกระวายตลอดราตรีว่าป่านชนีองค์พระธรรมสามีโลกนาฏ คงได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเราได้ทำกรรมหนักสิแล้วหนอพระผู้มีพระภาคทรงทราบวารจิตของหมอชีวกด้วยเจโตปริยานวิธีจึงให้พระอานุนพุทธอนุชาแก้แผลนั้นปรากฏว่าทรงหายเป็นปกติรุ่งอรุณวันใหม่เมื่อประตูเมืองเปิดแล้วหมอชีวกรีบมาเฝ้าพระาศาสดาทูลถามพระอาการว่า พระองค์ผู้เจริญความเร่าร้อนเกิดขึ้นในสรีระของพระองค์หรือไม่ถึงเวลาแก้แผลข้าพระองค์ออกมาไม่ได้เพราะประตูเมืองปิดจิตใจกระวนกระวายตลอดราตรีพระผู้มีพระภาคผู้ฉลาดในพระธรรมเทศนาต้องการให้เป็นประโยชน์ทางจิตใจจึงตรัสว่าชีวก ค, ความเร่าร้อนทั้งปวงเราทําให้ระ ง, งับได้แล้วณนะโพธิมณฑล ความเร่าร้อนทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ผู้เดินทางไกลถึงแล้วผู้ไม่เศร้าโศกผู้หลุดพ้นผู้ละเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้แล้วสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคมีพระทาตไม่ปกติมีสรีระหนาขึ้นเพราะทรงตรากตรำมากต้องการเสวยยาระบายพระอานนท์นำความข้อนี้ไปบอกแก่หมอฉีวก หมอกราเปียนพระอานนท์ให้ไปปฏิบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าให้พระองค์พักพรให้พระวรากายชุ่มชื่นเสียสักสองสามวันก่อนหมอได้ประกอบยาถวายพระองค์เป็นยาระบายใช้ดอกบัวสามก้านและให้พระพุทธองค์ทรงสูตรดมปรากฏว่าทรงระบายถึงส0สครั้งท่านผู้เจริญท่านฟังเรื่องหมอชีวกแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง พระสุมาณะกล่าวในที่สุดข้าพเจ้าตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าหมอฉีวกต้องมีอุปนิสัยบำเพ็ญบารมีในทางนี้จึงมีความสามารถเป็นพิเศษนอกจากนี้ตามประวัติยังบอกว่าเขารักวิชานี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่จะไปศึกษาวิชาอุปนิสัยในปางก่อนก่ให้เกิดความโน้มเอียงขึ้นในจิตใจของบุคคล ความโน้มเอียงหรือแววของใจที่มีอยู่เดิมแล้วเมื่อถูกเหตุแวดล้อมอันเหมาะสมกระตุ้นเตือนย่อมพลุ่งพลงให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยเหตุนี้การสั่งสมความดีไว้เป็นอุปนิสัยจึงเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของบุคคลมันคือการสั่งสมความสาเร็จแห่งชีวิตไว้ครั้งละเล็กครั้งละน้อยเมื่อนานเข้าย่อมกลายเป็นบารมีที่แก่กล้า อาวุโสท่านจงดูการสั่งสมน้ำหวานของตัวพึ่งและการสั่งสมมูลดินของตัวปลวกนั้นเถิดข้าแต่ท่านผู้เจริญพระสุมณะกล่าวท่านพอจะรู้ได้แล้วมิใช่หรือว่าข้าพเจ้าตัดสินใจเรียนวิชาอะไรถูกแล้วข้าพเจ้าตัดสินใจเรียนวิชาแพทย์ในสำนักอาจารย์ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอย่างหมอชีวก5ปีในสำนักตะกศิลา ทำให้ขพเจ้าได้รับความรู้ยังกว้างขวางได้เห็นชีวิตของเด็กหนุ่มหลายชั้นหลายประเภทซึ่งแต่ละคนมีวิธีการดําเนินชีวิตไปคนละอย่างจากการสังเกตขพเจ้าเห็นว่าเด็กหนุ่มที่มาจากตระกูลที่ร่ํารวยมักจะศึกษาสู้เด็กยากจนไม่ได้ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเคยสบายเมื่ออยู่กับปิดามารดาเขามีความอดทนน้อยกว่า มีความเสียสละน้อยกว่าแต่มีการถือตัวหยิบโยงทำอะไรไม่ค่อยได้เมื่อถูกอาจารย์ใช้แม้เรื่องเล็กๆน้อยๆก็มักแสดงสีหน้าบูดบึง้งส่วนเด็กยากจนมักจะมีความอดทนดีกว่าตั้งใจศึกษามากกว่าข้าแต่ท่านผู้สืบ อ, อริยวงตลอดระยะเวลาหปีที่สำนักตะกศิลานั้น มีเรื่องมากมายหลายประการที่จะนำมาเล่าสู่ท่านฟังแต่ข้าพเจ้าของงดไม่นำมาเล่าในที่นี้นอกจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเฉพาะบางเรื่องเท่านั้น